533ิก็คราะหัสชายหรือครหัดหญิงผู้ไม่ใช่ญาติสองคนตระเตรียมทรัพ์เป็นค่าจีวรคนละผืนจะจงภิกษุว่าพวกเราจะซื้อจีวรคนละผืนด้วยรัพ์เป็นค่าจีวรคนละผืนนี้แล้วนิมนต์ภิกษุชื่อนี้ให้ครองจีวรหลายผืนถ้าภิกษุนั้นซึ่งพวกเขาไม่ได้ปรณามไว้ก่อนเข้าไปกำหนดชนิดจีวรในที่ที่เขาเตรียมจีวรไว้ เพราะต้องการจีวรดีว่าดีละท่านทั้งสองจงรวมกันซื้อจีวรเช่นนั้นเช่นนี้ด้วยทรัพย์เป็นค่ายจีวรคนละผืนนี้แล้วนิมนต์อัตมาให้ครองเถิดต้องอาบัตินิสักียปาจิตตีเรื่องพระอุปนันท飒กัยจบุตรจบ